พุทธคุณยังบดว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะโดยทั่วๆไปนั้นจะยกขึ้นวาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันก็คือผู้ที่เข้าถึงภาวะแห่งอรหั ต, ตผลผู้ที่ดำรงอยู่ในพระอาหารหัตผลเรียกว่าพระอาหารหันต์ทีนี้อาหารหัตผลของบางท่านนั้น บางทีก็เป็นสุขขวิปสก์นั น, นะก็คือผู้ที่ปรารบวิปัสนาบางทีอาจจะมีฌานเป็นบาทแต่อยู่ในระดับรูปฌานทั้งหลายน่ น, นะคือไม่เกินรูปฌานนี่นนะอาศัยไม่เจริญสมาธิหรือได้ฌานเป็นบาทก็ตามหรือว่าได้ฌานเป็นบาทก็ตามแต่ไม่มีอภินยาเลยกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นพวกสุขขวิปสก์นั่นนะส่วนผู้ที่ได้อรูปฌานพวกนี้อาจจะเป็น วิชาสามเนะเป็นวิชาสามเป็นอภิญญาหเป็นต้นซึ่งท่านเหล่านั้นทั้งหลายก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็แบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่พระอรหันตสาวกนีนะพระอรหันตสาวกพระอรหันต์ที่เป็นผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจนะดํารงอยู่ในภาวะแห่งอรหรันตผลโดยลําพังเฉพาะตัวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะมีคำว่าพระอรหันตสาวกกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภาวะแห่งการดับอาสวะทั้งหลายกับสภาวะการแห่งตลอดพระนิพพานของพระอรหันตสาวกกับของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันในเรื่องการละกิเลสนะกามาสวะพระอรหันตละได้เหมือนกันภาวาสวะพระอรหันต์ทั้งหลายก็ละได้เหมือนกัน พิทาสวาผ้าอรหันทั้งหลายก็ละได้เหมือนกันอวิชาสวาผ้าอรหันทั้งหลายก็ละได้เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าผ้าอรหันตสาวกทั้งหลายเห็นไหมเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอีกผู้หนึ่งในฐานะศาสดาพระศาสดานนเป็นผู้ที่ตรัสรู้ข้อปฏิบัติทั้งสิ้นนนแล้วก็เอาข้อปฏิบัติเป็นต้นเหล่านั้นมาบอกมาสอน ส่วนผ้าอรหันตสาวกทั้งหลายก็คือผู้ที่ตรัสรู้ตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็คือผู้ที่ตรัสรู้แล้วก็บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนให้ผู้ให้ผู้อื่นตรัสรู้พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ตรัสรู้ตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็คือผู้ที่ฝึกพระองค์เนี่ยนะให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ฝึกพระองค์เนี่ยนะฝึกด้วย ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ฝึกด้วยบารมีตอนชาติสุดท้ายก็ฝึกด้วยวิสุทธิทั้งหลายจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระสาวกทั้งหลายก็คือผู้ที่ฝึกตามนีนะฝึกตามจนสําเร็จถึงภูมิแห่งผู้ฝึกแล้วนะผู้ที่ฝึกเสร็จแล้วก็คือพระอรหันต์นัเรียกว่าฝึกเสร็จแล้วฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ฝึกใจเนี่ยนะฝึกทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้ว่าภูมิของผู้ที่ฝึกฝนสําเร็จแล้ว ในหมู่มนุษย์เนี่ยนะผู้ที่ฝึกสําเร็จแล้วประเสริฐที่สุดทันโตเศโทมนุษย์เสสุเนี่ยนะในหมู่มนุษย์ชนที่ฝึกแล้วโดยเฉพาะฝึกด้วยสมถาวิปัสนาฝึกด้วยอริยมรรคอริยผลทั้งหลายบุคคลผู้ฝึกแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุด น, นะนะพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะบอกวิธีการฝึกและช่วยฝึกผู้อื่นได้พระองค์นั้นฝึกโดยลําพังพระองค์เอง ส่วนพระรหา์ทั้งหลายทั่วไปนั้นได้รับการฝึกจากธรรมวิเนยของพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นก็เลยฝึกตามก็สามารถที่จะตรัสรู้ตามได้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่สงบเนี่ยนะสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจสงบด้วยอุปจาระสมาธิสงบด้วยอัปปนาสมาธิสงบด้วยปฐมฌานสงบด้วยรูปฌานอารูปฌานสงบด้วยอริยมรรคและอริยผลทั้งหลาย พระองค์ก็แนะนําให้ผู้อื่นสงบด้วยนะนะถึงความสงบถึงความสม่ําเสมอทางกายวาจาและใจนั้นพระองค์เนี่ยข้ามพ้นจากวัตถทุกข์ทั้งหลายข้ามพ้นจากอบายทุกขติมินิบาตนรกพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาดนรกด้วยพระองค์ข้ามพ้นจากวัตะทั้งหลายพระองค์ก็พาให้ผู้อื่นข้ามพ้นจากวัตตะทั้งหลายด้วยพระองค์นั้น ข้ามพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตและอุปายาตแล้วพระองค์ก็พาให้ผู้อื่นข้ามพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่ถึงฝั่งนะถึงฝั่งพระองค์ก็พาผู้อื่นช่วยช่วยให้ผู้อื่นได้ข้ามให้ให้สำเร็จในการข้าม ท่านพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยนะถึงฝั่งคือพระพระนิพานตรัสรู้พระนิพา น, รร พ, ร น, พ, านพระองค์ก็ดํารงมั่นอยู่ในฐานะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ที่จะให้ผู้อื่นปรินิพานที่จะจะให้ผู้อื่นเนี่ยนะปรินิพานทั้งโดยสัพพะทิเสสนิพานและอนุปาทิเสสนิพานโดยหลักการเนี่ยนะโดยหลักการการตรัสรู้ของพระองค์ก็คือตรัสรู้ว่านี้เป็นธรรมที่ควร รู้ยิ่งนี้เป็นธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้นี้เป็นธรรมที่ควรละนี้เป็นธรรมที่ควรเจริญนี้เป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งเนี่ยนะสิ่งใดที่เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งในวิสัยสาวกทั้งหลายพระองค์ก็แนะนําบอกกล่าวเปิดเผยให้สาวกทั้งหลายรู้ยิ่งแล้วสิ่งใดที่สาวกทั้งหลายควรกําหนดรอบรู้เนี่ยนะควรรอบรู้โดยนยะต่างๆโดยวิธีการต่างๆ ตามแต่ว่าเขาเป็นอุคติตัญยูวิปัญจิตัญยูหรือนัยยะบุคคลทั้งหลายพระองค์ก็ช่วยบุคคลเหล่านั้นให้กําหนดรอบรู้แล้วสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่มีพิษมีภัยเป็นสิ่งที่ทําลายประโยชน์ปัจจุบันและต่อต่อไปโดยเฉพาะทําลายประโยชน์อย่างยิ่งพระองค์ก็สอนให้บุคคลเหล่านั้นละด้วยเนี่ยพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นละ สิ่งใดที่ควรละอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าหากว่าอากุศลธรรมเป็นสิ่งที่ละไม่ได้พระองค์ก็ไม่สอนให้ละถ้าหากว่าอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าละแล้ Likewise, วเดือดร้อนพระองค์ก็ไม่สอนให้ละแต่ถ้าละอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วไม่มีความสุขเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ละแต่เนื่องจากว่าอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ละแล้วอะ ไม่มีโทษละแล้วมีแต่ความสุขละแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ละได้ด้วยพระองค์ก็เลยสอนให้ผู้อื่นนั้นได้ละบาปอกุศลธรรมเป็นต้นกุศลธรรมทั้งหลายอริยมรรคทั้งหลายเป็นสิ่งที่เจริญได้พระองค์ก็เลยสอนให้ผู้อืน่นเจริญด้วยเนี่ยนะเจริญแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติอยู่ในประโยชน์และความสุขซึ่งผู้อื่นก็สามารถที่จะ จเจริญตามด้วยถ้าหากว่าเขามีศรัทธาที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญเนี่ยนะอันพระองค์ก็เลยท้าเลยบอกว่าผู้ที่เป็นคนตรงเนี่ยนะเป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงเป็นผู้ที่มีความเพียรและมีปัญญามาเถอะเราจะสอนภายในเจ็ดวันเขาจะตรัสรู้เนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าเจ็ดวันช้าไปหกวันห้าวันสี่วันสามวันสองวัน เขาก็จะตรัสรู้ได้หรือไม่สอนเช้าบรรลุเย็นหรือสอนตอนเย็นเนี่ยนะข้ามคืนไปตอนเช้าก็ตรัสรู้แล้วขอให้เขามีคุณสมบัติเถอะพระพระองค์นี้เป็นผู้ที่ฝึกแล้วก็สามารถที่จะฝึกผู้อื่นได้เพราะการฝึกนั้นก็ฝึกด้วยาเวปัตตาธรรมฝึกด้วยการเจริญกุศลธรรมฝึกด้วยการเจริญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งก็มีผู้ที่เขาฝึกแล้วก็ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะ ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันอย่างปัจจุบันนี้สาวกของพระพุทธเจ้านะที่ที่เป็นเทวดาเนี่ยถ้าศึกษาตามพระไตรปิฎกแล้วที่เป็นเทวดานี่มีจํานวนนับประมาณไม่ได้นีนะที่เป็นเทวดานี่นับประมาณไม่ได้ที่เป็นพรหมก็นับประมาณไม่ได้ส่วนไม่ต้องนับถึงว่าผู้ที่ปรินิพานไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่จะตรัสรู้ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปก็ยังอีกหาประมาณไม่ได้ที่จะตรัสรู้ต่อไปใน อานาคตพันพระองค์จึงดำรงอยู่ในภูมิของที่ภูมิของพระพุทธเจ้าที่สามารถประกาศพรมาจักให้เป็นไปเนี่ยนะสามารถที่จะพาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากโอคาข้ามพ้นจากสิ่งที่ควรละเพราะอะไรเพราะพระองค์ได้ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเสร็จแล้วก็อยู่ในฐานะของผู้ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยบริบูรณ์และก็โดย ประการทั้งปวงเนี่ยนะซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่ในภูมิของผู้ที่ทำกิจจึงไม่มีผู้ใดทำกิจแทนพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะอย่างมากก็ทำตามได้ตามนิยะที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้แต่ไม่สามารถจะดำรงอยู่ในฐานะของความเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อไม่สามารถที่จะมีผู้ใดผู้หนึ่ง ดำรงอยู่ในฐานะของพระองค์ได้พระองค์จึงไม่ได้แต่งตั้งหรืออภิเสกสาวกองค์ใดองค์หนึ่งรูปใดรูปหนึ่งเป็นศาสดาแทนพระองค์ไม่ได้อภิเสกพระมหากัจรนะไม่ได้อภิเสกพระมหากัสปะไม่ได้อภิเสกพระอนุ์ไม่ได้อภิเศกพระอนุรุธะพระอุบาลีเป็นต้นไม่เลยว่าผู้นี้จะมาดำรงอยู่ในฐานะของพระองค์แต่พระองค์อภิเสกธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยแรกตรัสรู้จวบจนปรินิพานเรียกว่าเป็นธรรมกับเป็นวินยัยนั่นแหละตัวแทนของพระองค์นั่นแหละคือพระองค์เพราะพุทธพจน์ของพระองค์ก็เท่ากับพระองค์เองมีค่ามีค่าเท่ากับตัวพระองค์เองมีความสำคัญเท่ากับองค์ของพระองค์เองพระธรรมวินัยจึงคือศาสดา นะเพราะไม่มีผู้ใดทํากิจตามนั้นได้อย่างนั้นจริงๆนะไม่มีผู้อื่นมีความสามารถนอกจากว่ารอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เท่านั้นมันผู้ที่ศึกษาศึกษาพระธรรมคําสอนศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจึงควรที่จะใส่ใจเนี่ยนะใส่ใจว่าพระศาสดา ข, ของเราผู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบุคคลที่ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ กรุณาที่จะเอาพระธรรมเหล่านั้นมาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนเพื่อให้เราทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระองค์นั้นฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาฝึกด้วยสมถาวิปัสนาพระองค์ก็แสดงธรรมเหล่านั้นเพื่อการฝึกเนี่ยนะเรียกว่าคําว่าฝึกบางทีก็เรียกว่าขัดกล่าวหรือว่าตกแต่งเนี่ยนะสำหรับไม้ที่ไม่ใช่ไม้คดเนี่ยนะ นายช่างทั้งหลายโดยเฉพาะช่างไม้เนี่ยเอามาดัดเอามาตบมาแต่งเรียกว่าเอามาทําเป็นลอ้อเวียนเป็นต้นเนี่ยทำเป็นจับทําเป็นอะไรก็ได้จนจนสําเร็จเพราะไม้นั้นเป็นไม้ที่ไม่คดไม่ตะปุ่มตะปำไม่ไ ม, ไม่ไม่งอไม่คดเนี่ยนะไม่เคี้ยวเป็นสิ่งที่ดัดหรือน้อมไปเป็นอย่างใดก็ได้สําเร็จตามที่นายช่างปรารถนาฉันใด ผู้ที่มีคุณสมบัติก็ได้รับการฝึกเั่นนั้นอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยนะมันก็มีเหตุผลสองอย่างว่า1ประชาชนไม่มีโอกาสได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าประชาชนทั้งหลายก็เลยไม่พยายามที่จ ะ, ะไม่มีโอกาสได้ฝึกตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งอันที่สองเขาคดเกินไปที่จะเข้าโรงกลึงคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็สังเกตดูมันก็มีทั้งสองประเด็น กลุ่มที่ไม่มีโอกาสทั้งๆ ท, ท, ที่ฝักฝ่ายที่จะฝึกก็มีอยู่นี่กลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มที่2องอถึงพบคําสอนที่น้อมไปเพื่อการฝึกใจมันก็ไม่น้อมไปเพื่อที่จะฝึกเพราะคดเกินไปที่จะฝึกหัดดัดขัดเกลาตัวเองเนี่ยนะเพราะว่าอัธยาศัยของเขาไม่บริสุทธิ์เขาไม่มีอัธยาศัยที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าอย่างในยุคปัจจุบันไม่ใช่น้อย เขาพร้อมที่จะตรัสรู้ตามคนอื่นแต่ไม่พร้อมที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าดูถามว่าดูจากอะไรเมื่อผู้ใดกล่าวพุทธพจน์เป็นต้นเขาจะไม่เงี้ยโสดลงสดับเนี่ยนะไม่ใส่ใจที่จะฟังไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ไม่ใส่ใจที่จะกาหนดจดจำแต่ถ้าเป็นคำของนักกวีทั้งหลายฟังแล้วจำแล้วไปอธิบายจำเนแกแจกแจงผิดหรือถูกก็เอาอีกเรื่องหนึ่งละ แต่ที่แน่ๆเขายินดีที่จะรับฟังยินดีที่จะรับรู้พร้อมที่จะฝ่ายรู้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้สั่งสมอัธยาสัยมาเพื่อที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนถ้าไม่ตรัสรู้ตามแล้วเป็นยังไงมันก็ยากที่จะพ้นทุกเนี่ยนะเพราะทางแห่งความพ้นทุกมีอยู่ทางเดียวเนี่ยนะเอกายโนเนี่ยนอยังพิขเวมักคโคมคักตัวนั้นก็เป็นชื่อของอริยมักนั่นเองแล้วแต่ว่าอริยมักนั้นจะยกอันไหนขึ้นเป็น ประทานยกสติประทานหรือจะยกสัมมาทิฏฐิหรือว่าจะยกองค์มรรคยกปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจจะยกสติประทานสัมมประธานอิทิบาตอินรี์ะละโพชงองค์มรรคก็ตามซึ่งจริงๆก็คือเสียงเดียวกันนั่นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นผู้ที่ทากิจที่ผู้อื่นไม่สามารถทำแทนได้พระองค์ตรัสเล่าถึงว่า เคยมีในอดีตแต่เมื่ออดีตเนี่ยนะตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์เป็นโคที่ทรงกำลังมากเนี่ยนะเป็นโคที่ทรงพละทรงเรี่ยวแรงกำลังเป็นโคตัวเดียวเท่านั้นแหละที่จะพาานะพาหมู่เกวียนให้ข้ามจากโคลนตมเป็นต้นได้นะซึ่งโคอื่นๆไม่สามารถที่จะทำกิจอันนี้ได้ฉันใดวิสัยของบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะช่วยให้สัตว์อื่นพ้นจาก ชาติชรามมรณะได้รอกนอกจากวิสัยของพระพุทธเจ้าบุคคลที่ช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ได้ก็คือคนที่กล่าวตามเท่านั้นจึงจะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ได้ทำอนนะัตตรัสรู้ในธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวแนะนำและเปิดเผยซึ่งเราต้องพยายามใส่ใจให้ดีว่าการตรัสรู้นั้นควรจะเป็นการตรัสรู้พระธรรมของ พระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยการตรัสรู้ก็เป็นการตรัสรู้ที่คลาดเคลื่อนไม่รู้ว่ารู้อะไรไม่รู้ว่าบรรลุอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะไม่รู้ว่าที่หมายของการบรรลุเนี่ยบรรลุอะไรบรรลุเพื่ออะไรเนี่ยนะก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็มันเต็มไปด้วยความสับสนเนี่ยนะเมื่อเต็มไปด้วยความสับสนคนก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเขาจะรู้หรือพระพุทธเจ้าสอนอะไร